เราก็สวดมนทํามัตเราปฏิวัติทมกันเราเป็นมนุษย์เป็นคนที่พัฒนาได้ให้ยิ่งยื่งยิ่งไปจนใช้กายใช้ใจทาหน้าที่อย่างผ า, าสุขเลือกได้ เหมือนกับองค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามีความเคารพเริ่มใส่ศรัทธาว่ามีจริงบัตรขึ้นมาในโลกนี้จริงๆมีจริงๆเราเคยมีศรัทธามากบ้างน้อยบ้าง เวลามีความทุกข์เราก็ได้ใช้ศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแก้ทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงคนพบจริงๆอย่างเมื่อคืนนเราเชื่อว่าท่านคนพบมีความสำเร็จสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความไม่ทุกข์ เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตา ย, ยาจริงๆเป็นของจริงไสยธรรมเป็นของจริงรู้ตามได้เห็นตามได้ไม่เว้นจนใครก็ตามสามารถสัมผัสทําได้เพราะมันคือไัยธรรมมันคือของจริง ทำมาหรือจะทำนี่เป็นของจริงสัมผัสได้ดีมีประโยชน์สัมผัสได้กายเราไม่ใชใ่เกิดความดีได้หัวใจเราใชใ้เกิดความดีได้จิตใจเราคิดนึกปรุงแต่งให้เกิดความดีได้จันมีระชั่วทำดีแล้วก็มีชำระจิตอาการอะไรที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจ เพพาะการคิดการนึกการปรุงการแต่งเราสามารถที่จะจัดระเบียบได้จะเลือกที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับองค์สมเด็จสัมมาว่าเจ้าที่ท่านเคยชีย้บอกเรามาก็ามีความสำเร็จมากเมื่อท่านค้นพบไม่ได้นิ่งดูได้ บอกต่ออีกสองเดือนข้างหน้าเนี่ยวันเพ็ญเดือนแปดอัญญากรยาก็สามารถรับรู้ได้มีความสำเร็จในการที่จะรับฟังอย่างแยียบคายน้องกัมาใส่ตัวแล้วก็เห็นว่าธรรมะในตัวมันก็สามารถแสดงออกมา เหมือนเดนเดียวกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพมุทธเจ้าที่ท่านพูดถึงธรรมจักรวาระสุดแล้วหลังจากนั้นมันเพ็นเดือนแปดต่อมาถึงวันเป็นเดือนสามพระสงฆ์ก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่งพันสองรห้าสิบคนที่ไม่ได้นัดหมายหนึ่งพันสองรอห้าสิบคนเป็นพระลรหันล้วน รอแล้วแต่เป็นปะขีนาศหมดจากทุกแล้วในเวลาศเจดเดือนสามารถสอนให้คนบรรลุธรรมได้หนึ่งพันสองร้ห้าสิบคนก็แสดงว่าสนาธรรมนี่เป็นเรื่องที่ง่ายๆพระพุทธองค์ผู้รู้แล้วนะทำเรื่องยากให้ง่ายเป็นชาววางมาอยู่วัด ไม่ได้ทำวัดให้เป็นวังไม่ได้ทำเรื่องง่ายหรือยากท่านพูดความจริงมาถึงยุคของหลวงปู่เทียนจิตเตาโปสองพันกว่าปีมันมีการเชื่อมรอยกันสามารถทำให้คนธรรดาธรรมดา น้อมนำเอาคันปลอนขององค์งสมเด็จรัมมาเจ้ารัตธรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมีอยู่ในโลกพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมามันก็เป็นก็มันอยู่อย่างนี้ฝนก็ตกแดดก็ออกมีสัตว์สาลาสิ่งมีแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้า มันก็มีก็มันมาก่อนอย่างเงี้ยมีคลื่นมีลมพัดลมเพมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายมันก็มีก็มันอยู่อย่างเงี้ยประเด็นสุทธธรรมควมเป็นจริงนี่สามารถที่จะสัมผัสได้หลวงปู้เทียนท่านก็ค้นพบ คนพบว่าการเคลื่อนไหวของกายร่างกายของเราเนี่ยเอามาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวมันจะทำให้ออกมาจากความคิดความทุกข์เกิดที่ความคิดเราก็น้อมกับมาเออมันก็จริงคิดแล้วอิจฉาริษยาคิดแล้วก็ รักก็ชังคิดแล้วก็แปรอดีแปอนาคตคิดแล้วก็ดีคิดแล้วก็ไม่ดีคิดแล้วก็เป็นบุญคิดแล้วก็เป็นบาคิดแล้วก็เป็นความฉลาดความไม่ฉลาดแล้วเราก็ติดยึดนะติดยึดที่เรียกว่าคิดวกคิดวนเหมือนภายเรืในอ่าง สองย้ำย้ำคิดจ้ำทำหมกมุ่นจนเต็มจนจนเป็นจริตนิสัยเราก็มารู้สึกตัวตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อจริงๆเราเชื่อมานานแล้วล่ะเราเชื่อคนที่เกิดก่อนเราเชื่อบันพลายหลุดเราเชื่อกฎของธรรมชาติ เราเชื่อกันมานานแล้วล่ะหิวก็ต้องหากินนะเราเชื่อว่าการหากินใส่ปากใส่ท้องทาให้อิ่มเราเชื่อเป็นสัญชาตญาณเราเชื่อว่าหนาวต้องผ้ามาหม่มเราเชื่อว่าเมื่อยต้องขยับมือขยับตัวเราเชื่อ เราเราก็ทำตามความเชื่อแต่ก็เป็นสันทาชาติยานแต่บัด น, นี้เรามีความเชื่อเชื่อว่ากันใช้ชีวิตยอยู่ในกรอบของวัดวาอารามเราเชื่อว่าการออกมาจากความคิดในการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันเป็นเบื้องต้นของวิชากรรมฐาน มันจะเปทั้งดีทั้งช่วยความคิดดีมันก็ออกมารู้สึกตัวความคิดช่วยก็ออกมาจากความคิดช่วมารู้สึกตัวจนมันเป็นธรรมชาติไม่เป็นกรรมธรรมชาติกับกรรมเสียงแตกต่างกันคำพูดแตกต่างกันคําเขียนก็แตกต่างกันในความหมายก็แตกต่างกัน กรรมก็คือลงมือกรรมลงไปอย่างเงี้ยแต่ธรรมมันคือการกระทํามันเป็นความบริสุทธิ์ไอ้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็ชอบตีความเงินไปของจริงของปลอมมาตีความเงินไปดีไม่ดีก็ตีความกันไปเกิดแก่เจ็บตายก็ตีความกันไปอย่างนี้มันเป็นธรรมเป็นกฎของธรรมชาติกฎกําหนดกรอบขอบเขตเกณฑ์ชีวิต มีเกณฑ์ชีวัดของธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้สักคนแต่ว่าเกณฑ์ชีวัดของความคิดนตรงนั้นนะคิดให้ดีคิดให้ชั่วคิดให้ถูกคิดให้ผิดก็ความคิดทั้งนั้นเลยเป็นความคิดของคนแม้กทั่งคนคนเดียวกันคือตัวเราเองคิดนี่ยแหละพอเวลาแตกต่างกันไปมันก็คิดไม่เหมือนเดิมอะวิธีคิดไม่เหมือนเดิม ยุคเราเราบอกศาลาเนี่ยดียุคนี้นะแล้วเราก็ไม่ใช่วัตปาสุกตัวเนี่ยดีแล้วเราก็ไม่ใช่กันเชื่อว่าหลายยุคหลายสมัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดอีกมากมายแล้วเกินมีความเชื่อยอย่างน้เพราะนั้นศรัทธาความเริ่มใสเริ่มใสที่จะปฏิบัติธรรมกลับมาหาธรรมะ มันก็เริ่มจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเริ่มจากการรู้จักกายเห็นกายตามความเป็นจริงมันก็เริ่มจากการเคลื่อนไหวรู้สึกขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวเนีน่ยต่อยอดไปเรื่อยๆมันก็เห็นความจริงพิสูจน์ได้แม้กระทั่งนมามธรรมที่ละเอียดก็ตามที่มันเป็นเรื่องของภพภูมิก็ตามมันจะเห็นได้ผ่านความรู้สึกตัว จิตก็ เ, เราที่คิดนะเป็นพวกลมคิดเป็นเปลเป็นสนนโลกอสุลกายคิดเป็นเดวดาเป็นพรหมคิดดีแค่ไหนก็ไปแค่พรหมความคิดนะจะคิดดีขนาดไหนเมตตากนะ็น่าเมตตาเบากิกขาไปแค่พรหมแต่ถ้ามันเป็นแบบพระอันนี้จะเป็นอัปปมัญญาหรือไม่ประมาณ เสมอต้อนเสมอปลายแล้วก็ตัวถึงสัจจาระสิ่งก็ตัวหนึ่งสองสาคนหนึ่งสมันจะเกี่ยวข้องโดยธรรมโดยธรรมชาติมันเป็นเรื่องของปัญญาญานปัญญาญานที่เป็นเป็นเรื่องของสติปัญญาพาธรรมจะทำอะไรเป็นสติปัญญาพาธรรม มันไม่ใช่ตัวกิเลรพาทำถึงที่เป็นความคิดก็เป็นความคิดบริสุทธิ์ถึงเป็นการพูดการคําพูดก็บริสุทธิ์การพูดกับบริสุทธิ์นี่เป็นการแสดงออกทางกายมันก็บริสุทธิ์อันนั้นเรารู้เอาเราจะรู้ว่าทำแล้วไม่ทุกข์ทำอะไรไปแล้วไม่ทุกข์ไม่ได้มีปัญหาภไยในจิตใจมันไม่ได้เกี่ยวว่าไม่มีปัญหาภายนอก มีแน่พอทำดีก็มีปัญหากว่าไม่ดีอยู่แล้วในโลกนี้วิธีคิดมันมีดีกับไม่ดีพระเด็นเวลาทำอะไรสักอย่างมันมีผลอยู่แล้วกระทบเยื่อฮือเปิ้นจังคำเดียวก่อได้ภาษาเหนือบอกเยืยอฮือเปิ้นฮักอยากนักจากหวัง ย่่าคืเป็นจังคำเดียวก่อได้ทำดีเนี่ยคนรักนเนี่ยเท่าผืนหนังคนชังเนเท่าผืนเสือ้อเรื่องเดียวกันเนยนะอย่างเก็บอารมณ์เข้มนะีก็มีคนแยง้งมานั่งทํากันทําไมเดินกันทําไมทั้งนี้เรารู้ว่ามันดี หรืว่าจะทําอะไรสักอย่างเนะีเรารู้ว่ามันดีแต่ว่าความไม่ดีอีกมากมายมันก็แสดงออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคืออันเดียวกันคําพูดหนึ่งคำคนนี้พูดดีคนพูดไม่ดีการแสดงออกคนนี้แสดงออกแล้วดีคนนี้แสดงออกแล้วไม่ดีสิ่งเดียวกันรู้สถขนะเนี้ยคนเดียวกันเวลาเนี้ยทำแล้วดีเวลาเปลี่ยนไปทำแล้วไม่ดีละ เชิดการให้นละนะขณะเขาเดือดร้อนลูกเขาขอไม่ให้แต่พอเขาไม่ขอไปให้ตอนที่เขาเดือดร้อนไม่ให้ตอนที่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่เอาสิ่งเดียวกันนะขณะนี้กเหมือนกันเช้าเรามาทําวัดเราบอกว่ามันดีมันวิสาขามาวัดบอกว่าดีมาพยายาเข้าวัดบอกว่าดี เมื่อก่อนเราเองก็เคยแยงคนอื่นเหมือนกันไปวัดทำไหมบาดบัดทำทำไมมันทุกข์ขนาดไหนเจ้ามันพ้ายแพ้ชีวิตขนาดไหนวันหนึ่งต้องเข้าวัดแต่พอถึงวันหนึ่งเราทุกข์มากๆเราก็หาทางออกแต่อนนี้เรารู้ว่าเออไม่ต้องหาเพระเจ้าค้นพบแล้ววิชาออกจากทุกข์ในวิชากรรมฐานวิชาฝึกสติปฐานเรารู้แล้ว มันมีอยู่แล้วฝึกหัดปฏิบัติตามเลยนะเี้นรียกว่ามันสมควรมันเหมาะนะที่จะใช้กายใช้ใจของเรารว่าสติสมาธิปัญญาลนะ้วัสสินมันมีอยูนะ่มันผ่านความรู้สึกตัวเมื่อเราได้ยินได้ฟังฝึกหัดปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าสัมผัสรู้การเคลื่อนการไหวแต่ละขณะมันไม่ใช่ความคิดเลยอนะ มันเป็นภาษาธรรมภาษาอาการนั่งก็เมื่อยถึงเวลามันก็หิวถึงเวลาจิตนิสัยทั้งวันที่เราเคยทาอะไรมันก็แสดงออกเรียกร้องให้เราได้เติบเต็มได้ให้อาหารมีการตอบสนองเพราะนั้นการเรียกร้องแต่ลักษณะาอาการของกายของใจ เราเกี่ยวข้องถูกต้องกับเป็นตัวปัญญาภายนอกเหมือนกันฝนตกแดดออกเกิดอะไรขึ้นมานะจนทั้งเป็นสมมติบัญญัติเราเกี่ยวข้องถูกต้องสังคมยอมรับมันก็เอาตัวรอดได้หมายถึงว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มีปัญหากับตัวเองตอบได้ทำไมต้องทำอย่างนั้นตอบได้ทำไมต้องทำอย่างนี้มันมีคำตอบ เพียงว่าถามกันบ้างว่าทํำไม่ท่านะั้นแต่ส่วนใหญ่เรารีบสรุปเขาไม่ดีเขาชั่วเขาทาอย่างนั้นเขาชั่วเขาทาอย่างนั้นก็ทําไม่ดีรีบสรุปที่เกิดมีเหตุผลรองรับเหตุปัจจัยรองรับในโลกใบนี้ยเราก็จึงไม่ว่ากันคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นชั่วเราไปพูดเรามองเราก็จะเห็น มนุษย์ทุกคนนะตกเป็นไปตามกรรมทั้งนั้นเลยนะมนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกนะ้อย่อมเป็นไปตามกรรมนะในโลกนี้ไม่มีใครอยากชั่วสักคนหนึ่งนะลึกๆอยากเป็นคนดีทุกคนตรงนั้นแหละหนากราบน้าไวนากรลบถึงก็จะไม่ดีขนาดไหน พ่อแม่รักเขาทุกคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกฉั น, ล, ฉนลูกฉันลูกฉันรักเขาทุกคนอย่างนีน้แล้วก็จึงมาฝึกมหาหัดกันให้ตัวเองสอนตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวขณะเคลื่อนแต่ละขณะมันเป็นสติสอนจิตสติสอนกายก็คือสั่งให้มันเคลื่อนเป็นระเบียบเป็นระบบแต่ละจังหวนะ จัดระเบียบให้กกายของเรามันเคยหุนหันพันแล่เคยเรียกร้ อ, องคนกินกาแฟก็ติดกาแฟคาเฟอีนคนสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่นนโคติตินคนกินเหล้าก็ติดเหล้าแอลกอฮอล์นะเพราะฉนั้นพฤติกรรมการกระทาต่างๆมันก็จะแสดงออกมาเพื่อที่จะตอบสนองจิตใจของตัวเองตอบสนองนะหรือว่านะ ติดมอร์ฟีนอย่างเงี้ยนะติดสิ่งเสพติดติดน้มันเบนซินติดสารที่มันทำลายเนื้อเยื่อสมองวเนี้ยดมกาวยามายาบ้าต่างตพวกนี้มันเป็นอาการติดที่ระบบประสาทมาเรียกร้องเนื่องจากที่เราเคยทดลองทำซ้ำจนเป็นนิสัยไไหลายๆอย่างจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรม ที่มันเกิดจากกรรมเกิดจากการกระทำของใครของเรากันคิดดีพูดดีทำดีก็แสดงออกมาคิดดีพูดดีทำดีคนชอบทำบุญก็ทำบุญคนชอบฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่าสัตว์ผิดศีลผิดธรรมต่างๆก็คือความเป็นปกตินั่นเองเพรา ะ, ะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วการใช้ยึดเมื่อเรารู้สึกตัว ผลอนที่สองของการที่เราได้รู้สึกตัวมันก็เกิดสีขึ้นความเป็นปกติภายในจิตใจวาจาก็ปกติร่างกายก็ปกติเรียกว่าศีมีความ น, นุ่งนวลมีความอ่อนโยนก็เรียกว่าศีจะเป็นปัญญาเป็นรู้กาละเทศะรู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้ชุมชน ชุมชนนี้ก็าตื่นกี่โมงเนี่ยมันก็รู้แล้วก็ตื่นกี่โมงมาทําวัดกี่โมงมันก็รู้จักนะคนมีปัญญามันก็ไม่หลงหลงโลกหลงยังไงก็โลกมันมีทั้งสามโลกมันหลงยังไงโลกของอบโยภูมิมันหลงยังไงโลกของสุขติภูมิมันหลงยังไงโลกของพุทธภูมิมันไม่เป็นยังไง เป็นเ่องของสุขสามอย่างร้อนแล้ว่าอยู่ให้เป็นทุกข์มันจะรู้จักประมาณเป็นผลของการที่เราได้รู้สึกตัวจริงๆเป็นผลของการใช้ชีวิตด้ความผาสุกต่อไปทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็ออกมาจากสมมุติบรญยัติต่างๆมากมายแล้วก็เราจะเห็นสมมติบัญยัติที่เกิดจากความคิดสมมุติ ไม่ร่างสมมุติว่า น, นี่คือสติสมาธิปัญญามาพูดกันอันนี้เป็นภาษาสมมุติเหมือนกันแต่อาการข้างในเป็นปรมาภิ์เป็นความจริงที่มันไม่ใช่สมมุติที่เป็นสัจจะตกลงร่วมกันก็ตกลงร่วมกันกรอบขอบเขตระเบียบวินัยต่างๆอันนี้จะถูกโยงเข้าหาตัวธรรมธรรมชาติทันติเป็นตัวสติศีนสมาธิปัญญา ที่มัแสดงออกทุกขณะที่ตาในคมขอ ง, ของ เ, ขเราเห็นผ่านความรู้สึกตัวอันนี้เราเป็นทางเดินสู่มรรคผลนิพพานจริงๆเป็นมรรคทุกครั้งที่เติมสติลงไปใส่ใจลงไปกับการเคลื่อนการไหวจนเกิดความเป็นปกติความเป็นกลางแสดงออกมาให้เราได้สัมผัสในตัวใครตัวเรา เมื่อก่อนมันไม่แสดงออกมาเป็นลนักษณะของความพอดีความเป็นกลางมันดูกายมันเข้าไปอยู่กับกายมันดูความคิดมันก็เข้าไปอยู่กับความคิดใหม่ๆมันไม่ได้ดูแบบเป็นวิมุตต์หลุดพ้นจุดหมายสูงสุดของการเป็นัติของการใช้ยื่นมือวิมุตต์หลุดพ้นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางสูงสุดก็ดคือวิมุตต์หลุดพ้นนะ ทุกครั้งที่เราวางกายวางใจดีๆมีความรู้สึกตัวเราก็จะได้เห็นความรู้สึกตัวเลยได้เห็นการวางกายวางใจมันเห็นจะชัดตรงๆไปเลยขณะนี้แหละไม่ใช่ขนาดไหนเลยการเห็นนมันไม่ใช่เข้าไปอยู่สภาวะผู้ดูมันดูแล้วมันพ้นทันทีหายสงสัยทันทีเกินไหวรู้สึกเกินไหวรู้สึกหายสงสัยทันที รูปมากระทบทางตาไม่สงสัยเอ๊ะอะไรพอใจไม่พอใจถูกโลอไม่ถูกฉลอถูกชะตาไม่ถูกชะตามันจะไม่มีมันจะมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมยุติด้วยธรรมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นมันเกิดการให้อภัยมันเกิดเมตตากุณาเมตตาเบี้ขามันเกิดอะไรขึ้นมาม า, มากมายแล้วเกิดเป็นคุณธรรมต่างๆมีความอดทนมีการวางเฉย มันมีความเพียรก็เรียกว่ามันมีพารมีครบเลยในการที่เรานั่งปฏิบัติธรรมต่อยอดก็คือการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์ต่อเนื่องมันเป็นการต่อยอดมันเป็นตัวภาวนาจิตใจของเรามันก็รู้สึกมีความเป็นธรมธรมชาติแสดงออกมาก็คือเฉยๆ สภาวะเฉยรู้เป็นธรรมชาติของจิตนะมันเป็นธรรมะที่พึงได้มันเป็นธรรมะนะที่ทําใหนะ้ทุกๆชีวิตสรรพสัต ว, ว์สิ่งเกิดความนะเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างมีความผาสุกนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรภาพนะที่มันเกิดมิตรภาพขึ้นมานะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวผู้อื่นนะมันเป็นความรู้สึก ที่มันเป็นความรู้สึกที่ตัวใครตัวเราได้สัมผัสแล้วก็รู้เนี่ยมันคือของจริงนะตรงนี้เรามันหลอกกันไม่ไดนะ้เมื่อสองวันก่อนโยมเอ้ยวันวิสาขาบูชาหลายคนเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมกันมีอีกส่วนหนึ่งไม่มีอะไรทำกันอยู่บ้าน จะออไปข้างนอกกัรถติดาวางๆไง่รู้อะไรก็เลยเอาเงินมานั่งนับกันเอาแบงค์พันมาวางเป็นวงกลมเลี้ยงเงินดืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ง เ, งง เ, งงเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อาแบง1อยมาซ้อนข้างไนแบงห้าสิบมาซ้อนอาแบงยี่สิบมาซ้อนอาแบงสิบมาซ้อนอแบงใหม่ทั้งหมดคนรวยก็ไม่มีอะไรทำกันว่างๆสามคนหมดไปเทกามาณสองล้านกบาทได้งานศิลปะอันนั้นเป็นลาหนณะของคนจึดเอาวัตถุนิยมกับวัตถุนิยม มาแสดงออกแล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้คนทั่วโลกเได้เห็นภาพบางคนก็กดไลค์ชอบบางคนก็กดคอมเมนต์แบบนี้พฤติกรรมการกระทำอย่างเงี้ยมีคนชอบด้วยมีคนไม่ชอบด้วยปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันมีคนชอบด้วแล้วก็ไม่ชอบดชอบทำก็ไม่ชอบทำ ทั้อชอบลงมือกระทําทอทหารสลามทันก็ไม่ชอบที่จะทําลงไปอย่างนีน้ทําจนเกิดธรรมะธรรมชาติทอธงธรรมชาติคนที่เกิดธรรมชาติแล้วรู้เลยว่าใจเราไม่ทุกข์ไปยังไงไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยบอกควรจะเจ๋งการชันนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นเหมือนหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญเนี่ยตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้ว ท่านสนอกสนใจที่จะบัติธรรมมากเลยในชีวิตของท่านสแสวงหาธรรมะท่านก็ไปฝึกยุบหนอพองหนอ่อที่จังหวัดชนบุรีเจ้าทั้งเขามีการรับรองโดยเจ้าสำนักว่าท่านโอ้โหยานสิบหกแล้วยานสนะิบหกยานที่หนึ่งก็หมายถึงนามรู้วิเชทยานนะนีคนที่รู้จากแยกรูปนามได้นะคือนามรู้วิเชทยานแล้วก็ท้ายสุดก็คือปัจจเวกขณะ ย, ยาน ภาษาที่เรามมเรียกกันก็คือสามารถที่จะพิจารณาโลกได้ทั้งใบเลยธาตุขันธ์ต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆสามารถพิจารณาได้ทั้งหมดจะคิดจะพูดจะทํานีพิจารณาได้จะเกี่ยวข้องกับอาหารกันกนบฉันธาตุสี่ขันธ์ห้า้ปน ะ, นะการสแสดงออกทางร่า ง, งกายจะพิจารณาได้ควรทําไม่ควรทําอย่างไรก็เรียกว่าปัจเวยขณายานปัจใจสี่พิจารณาไปนะปัจ จ, 4, จ, นะนะจเวขายขณาญานมันจะเห็นธรรมะทุกซอกทุกมุม ตัแต่หยากไปหาละเอียดการันตีกันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจรรนบอกว่าอะไรกันยังโกรธอยู่เลยะเวลาเห็นอะไรยังพอใจไม่พอใจยังหงุดหงิดอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ทําโดยชอบโดยความชอบแต่ว่ามันเป็นอาการของกิเลสคือมันร้อนข้างในมันผลักให้ทําการคิดการพูดการทําท่านก็จึงนัสแสวงหาครูบาอาจารย์ไปฟังหลวงปู่เทียนบอกธทําทอย่างเนี้ หเดือนไม่รู้อะไรจะจ่ายเงินให้ทุกคนนะะ่ะที่มาฝึกหัดปฏิบัติแต่ขอให้เป็นคนจริงทําจริงๆมันจะเจอของจริงถ้าทําเล่นๆก็เจอของเล่นน่ะนะเป็นของปลอมคิดไปพูดไปแต่ว่าถ้าทําจริงๆสัมผัสจริงทุกครั้งที่สัมผัสอันนั้นน่ะมันคือลักษณะของธรรมะเบื้องต้นเลยความรู้สึกตัวมันจะเห็นจริงๆนั่งก็เมื่อยอย่างนี้น รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นมามันจะรู้ทันจริงๆเสร็จแล้วพอมารู้ทันบ่อยๆก็มันจะว่างเกิดโล่งโป่งเบาขึ้นมามีความผ่อนคลายสบายเนสบายตัวขึ้นมาหลวงพ่อจันลันก็ไปนะเรียนรู้กับหลวงปู่เทียนแต่ว่าตอนหลังมาฝึกหัดปฏิบัติหลังจากที่ยังมีความโกรธอยู่มีความหงุดหงิดอยู่ แล้วก็ยังลังเลสงสัยไปฝึกสิบสี่จังหวะนีพอไปถึงก็ให้เคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะโอ้โหแยงเลยอายตัวเองเคยฝึกมายุบหนอพองหนอนั่งเท่เนิ่งนิ่งหลวงพ่อจรัญใช้คำว่ามันคือคือการปฏริบัติธรรมพอมายกมือสิบสี่จังหวะมันรับไม่ได้สะพายบาดกลับเลยไม่อยู่แล้ว ทั้งๆที่อยากมาพออยากมาปั๊บพอเห็นอย่างงี้ปั๊บอยากกลับทันทีกกลับทันทีตามใจเลยแต่ยังติดใจว่ารู้รูปรู้นามรู้รูปรู้นามถ้ายังไม่รู้เรื่องรูปน้ำสัมผัสรู้จริงๆเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยคิดเอาใจความคิดเอาพอลงมือปฏิบัติก็อายไปแอบทำหลวงพ่อจารันเขใช้คำว่าทําอยู่สักประมาณ21วัน ยี่สิบนันรู้เรื่องรูปนามขึม้นมาท่านมั่นใจเลยตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่พูดเรื่องอะไรอีกแล้วจะขอพูดเรื่องสติปัฏฐานอย่างเดียวแล้วท่านก็พูดเรื่องการฝึกสติจนคนเป็นที่ยอมรับมากท้ายสุดท่านก็มาละภาพไปก็ได้ไปเห็นได้ไปเห็นวันที่ท่านมารณาภาพหลวงพ่อเขียนท่านก็ เอามือให้หลวงพ่อจารันเนี่ยท่านจบนอนนอนหนุนแขนแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจารันตอนนี้หลวงพ่อจารันเห็นมันอยู่ดูมันอยู่ทุกขเวทนามันแฮ่เราความเจ็บความปวดจาโรคมะเร็งเนี่ยมันแฮ่เราเพราะฉะนั้นตภาว่าพูดดูถึงพ่อจารันฝึกมาตอนนี้กําลังดูมันอยู่เห็นมันอยู่อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อจารันนะ ที่ดินไปดินมาบิดไปบิดมานะอันนี้คือทุกเวทนาเห็นมันเห็นมันให้อารมณ์ปฏิบัติหลวงพ่อจันลันก็ได้ฝึกสติมาก็ได้ใช้ตอนนั้นก็คุ้มค่าที่เราฝึกกันเน่ววันนั้ น, นพิสูจน์ว่าจริงว่าพร้อมแลวนะถ้าจริงเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นตกกะไดพรกรกจจมรรคผลนิพพานเลยนะวันนั้นเลย ฝึกมาทั้งชีวิตกับวันเดียวเท่านั้นแหละที่จะได้ใช้กันตกกระไดผกจนหลวงู่เทียนว่าฝึกวิวิชากรรมฐานเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแบบเนี้5นาทีสุดท้ายก่อนใจจะขาดเราจะได้มีโอกาสตกกระไดผกจรหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านก็พูดเหมือนกันว่าเออ5นาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนใจจะขาดนะตรงนั้นเราจะได้ใช้สติปัฏฐานที่เราฝึกมา รู้ว่าท่านนอนอยู่ในห้อง i c ซีูท่านบอกว่า40ปีที่ท่านฝึกมามันเป็นวันนี้ถ้าคนไม่เคยฝึกวิชากรรมฐานน่จะอยู่กันยังไงขณะที่ใกล้ตายเน่ท่านมีความรู้สึกเลยเหมือนแพที่มันเทียบท่าพร้อมที่จะก้าวเดินขึ้นฝั่งได้ทันทีเคยฝึกวิชากรรมฐาน ร, รูปน้ำขันห้าเราสามารถสลัดคินได้จริงๆ อ, งนะอันนี้เราก็พิสูจน์ได้ ขณะที่เรานั่งเจ็บปวดเมื่อยนะเปยังไงเราสลัดคืนได้ไหมนะขณะที่เราเห็นกระทบนะสัตเจลาสิ่งต่างๆหรือว่าพฤติกรรมสมมติบัญญัติต่างๆนะตรงนี้เราสลัดคืนโลกได้ไหมทุกกายคืนให้กับกายทุกในจิตใจคืนให้กับจิตใจเราคืนได้ไหมขณะนี้เลยนะถ้าขณะนี้เราทำได้ก็เชื่อว่าวันที่มีปัญหามีความทุกข์ล้อทได้เหมือนกัน มันคือเรานอนหลับเราทําได้ไหมเวลาเกิดความคิดขึ้นมาความฝันขึ้นมาออกมาเป็นสภาวะผู้ดูเราทําได้ไหมรู้ขณะที่เคลื่อนมือรู้สึกตัวนะเกิดอาการทางจิตขึ้นมาอารมณ์เกิดขึ้นมาออกมาเป็นผู้ดูได้ไหมมันง่วงเห็นมันง่วงมันเบื่อเห็นมันเบื่อเนี่อันนี้มันคือความจริงที่เราได้สัมผัสกันมันเป็นวิชากรรมฐานจริงๆที่ตาในของเราเตรียมเคยหลีๆว่าหลับไหลมาลืม ตาขึ้นมาแล้วก็เบิกกว้างขึ้นมาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงตรงนี้อันนี้เกิดจากที่เราได้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวโลกคือกายฟว้างศอกยาวานาคลือที่เราไม่เคยเห็นมันอาการต่างๆที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันธรรมะกําลังเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลา แต่เราไมกลับมาดูตัวเองเราหลงโลกเห็นวัตถุนิยมนะรูปรถกินเสียงปฐพธภษษษษษษษษัณฑ์ธรรมลมบนนั้นเราเห็นออกไปนอกตัวตลอดคิดแล้วกดคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกังวลคิดแล้วกำลังเลสงสัยคิดแล้วก็อิจฉาริษยาคิดแล้วกมายาสาไถคิดแล้วเห็นผิดเป็นช่อบนนั้นะเราหลงไปมันจึงไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมชาติมันมีตะกรรมตรงนั้นเลยแล้วก็จึงมา ปฏิบัติกรรมฐานกันฝึกกรรมฐานกันเพื่อเกิดธรรมะธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปอนนะเพราะนั้นนะันนี้เป็นวันที่อสมเวสสมัเจ้าเนะี่ยได้เสวยวิมุติสุขแล้วนะหลังจากที่มีการบารรลุธรรมมาก็นั่งใต้ต้นโพนะนั่งสมาธิต่ตอไปอีกเจ็ดวันนะหลังจากนั้นท่านก็ไปดู ตนสีมหาโพธ์แล้วก็เดินจงกรมพวกนี้นะแล้วก็พิจารณาปฏิจจสุบบาทนะหมายถึงอะไระบางคนอาจจะไม่เข้าใจปฏิจจสุบบาทก็คืออาการต่างๆที่เราว่าหลงก็รู้นะมันไปพบภูมิอะไระถ้ารู้มันไปพุทธภูมิมันไปยังไงถ้าหลงไปอบายภูมิมันเป็นยังไงมันไปหานะ สุขติภูมิเป็นอย่างไรพิจารณาเห็นก็เรียกว่าหลงก็คือความไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นความไม่รู้นีความไม่รู้ทำให้เกิดความหลงขึ้นมาก็คือสังขารปรุงแต่งอวิช า, าได้เกิดสังขารเนี่ยนะสังขารทำให้เกิดรู้แต่รู้ไม่ถูกขึ้นมาคือวิญญาณวิญญาณนะ ทำให้เกิดการปรุงแต่งกันมานะเรียก ว, ว่านามรูปนี่นามรูปที่เกิดนะการเห็นนะที่เป็นระนาของการเห็นโดยสลายยตนะนะคือการเห็นโดยนะภาพนะรูปรอยของความคิดเนะี่ยมันจะเป็นภาพนะมายาภาพนะเกิดขึ้นมะาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจะเกิดนะนามรูปนามรูปที่เกิดนะ การกระทบสัมผัสขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างตากับความคิดสมมติบัญญัตินั่นเองตาดูก็คิดหูฟังก็คิดพวกนี้เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาผัสสะถ้าเกิดเวทนาเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์แสดงออกมาตามวิธีที่เราคิดนึกปุงแต่งอันเวทนาได้เกิดตัณหาทยานอยากไม่ทยานอยากหรือว่า ความรู้สึกเฉยๆยายามอยากผลักใส่ทายามอยากไปคว้าเอาเข้ามาถ้าดีเราก็ชอบเอาเข้ามาเป็นความสุขก็เอาเข้ามาถ้าเป็นความทุกข์ก็จะผลักใสออกไปความไม่ชอบก็จะผลักใสออกไปนัต่อมาก็คือมันเกิดทันหาเกิดอุปาทานเข้าไปยึดมีลูกกับโล ก, กูมีเงินกับเงินกกมีงานกังานกูมีบ้านก็ บ, บ้านกู มีตัวเองมีรูปธรรมนี่ก็ตัวโกนะมีความคิดกับความคิดของกูเนี่ยมันยึดเป็นตัวโกอันนี้เราจะได้เห็นนะขณะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะรูปแบบก็ยึดนะถ้ามันไ ม, ม่มีลักณะของสติปัฏฐานสีจริงๆมันไม่ได้รู้ตึกตัวจริงๆมันก็จะเจไปยึดเนะี่ยรูปแบบทําอย่างอื่นจะทําไม่ได้เลยกลายไปเนี่ยคือนะการพยายามอย่างอื่นไม่ใช่เนะี่ยมันก็ไม่กว้างขวางนะ เราได้เห็นอ๋อมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราได้หลงนี่แล้วกระบวนการไปเาหวานมันจะไหลไปตามกระบวนการของเขาจากหยาบไปละเอียดไปสู่ความทุกข์ท้ายสุดนะภาวนาตัณหาอุปทานพบชาชรามรณะโสกกระเลปริเทวะทุกข์อุปายาสะมันจะไหลไปนะถ้ารู้จะเกิดอะไรรูนะ้วิชาจิตใจจะเกิดความปลาโมทันที มันจะมีศรัทธาเกิดขึ้นมาลองรับความเชื่อเกิดขึ้นมาลองรับเพราะฉะนั้นขณะที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกวิชากรรมฐานให้เกิดศรัทธาความเชื่อว่าธทำอย่างนี้มันออกจากทุกข์ได้จริงๆเมื่อเกิดศรัทธามันก็ทํำแต่มันก็ลงมือกระทาจะคิดจะพูดจะทําก็รู้สึกตัวตาดูหูฟังสมองคิดก็รู้สึกตัวรูปรสกลิ่นเสียงปูตผาทำมันก็รู้สึกตัวต เมื่อความรู้สึกตัววิชาทำไมเกิดศัดทธาศัทธาสิ่งไหนมันก็จะทําสิ่งนั้นศรัทธาวัตถุอันไหนมีความเชื่ออย่างไรมันก็จะพาวัตถุสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวหรือพาตัวเองเข้าไปหาวัตถุสิ่งนั้นอย่างเงี้ยนั่นก็คือความศรัทธาศรัทธาสถานที่นี้วัดป่าโสโตโมันดีจริงๆเราก็เดินเข้ามาอาศัยพักกันปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีวิชากเกิดศรัทธาเกิดความรื่นเริงแ่้วจิตใจปลาโมดขึ้นมา ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัวจะเกิดความรื่นเริงในการปฏิบัติขึ้นหเป็นอารมณ์ปฏิบัติเบื้องต้นเลยปาโม่ทำให้เกิดปีติปีติทาให้เกิดปะสะัสสติปะสะัสสติทาให้เกิดความสุขความสุขถ้าเราไม่ยึดไม่ถือนี่คือความสุขที่ทำให้เรายึดติดในการปฏิบัติสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ก็ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมามีความสุขเห็นทุกข์ในความสุขหรือว่า เห็นสุวัตถุกกรรมมะทุกขนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันติดยึดทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาในการสแสวงหาอย่างนี้นะในการที่ต้องระมัดระวังรักษาเราก็รู้จักถือรู้จักวางแล้วเกิดปัญญาขึ้มายัตถาปุถยานสามารถที่จะดูเห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมแล้วพิจารณาได้ยัตถาปุถยานก็คือสามารถที่เห็นความจริงของโลกใบเนี่ย ก็เกิดการเบื่อหน่ายคขายจางโลกใบนี้ขึ้นมานิพิธาเกิดขึ้นมาวิราคะไม่ให้ราคาทางตาหูจมูกนี้กายใจก็คือไม่ให้ราคาความคิดความคิดเราจะเห็นลักษณะของสมมติฐานของการที่เกิดความคิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์วิธีหลวงพ่อเทียนมาลัดจริงๆก็คือหเห็นสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวเพื่อได้เห็นความรู้สึกความรู้สึกตัวที่เกิดจากการคิด เ, เวลาเราคิดขึ้นมารู้สึกยังไงอะ กางเคลื si stores, men, ers, ่อนไหวก็ส <pe> ัมผัสรู้สึกยังไงมันแยกกันมันเลือกเป็นตรงนั้นเลือกที่จะรู้สึกแล้วก็เป็นปกติกับเลือกคิดแล้วก็ไม่ปกติหรือว่าเลือกที่จะคิดแล้วก็เป็นปกติแล้วรู้จักธรรรู้จักสมบูชัดเจรู้จักปรมาถาศจารู้จักธรรมธรรมชาติต่างๆมันเป็นของมันอย่างนั้นจะมีพระเจ้าไปมีพระเจ้าเป็นก็มันอย่างนั้นมันเป็นก็มันเช่นนั้นเองจะมีภาษาว่าเป็นเช่นนั้นเอง จะมีภาษาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรสามารถนามาใช้ได้นะไม่ใช่เพราะว่าตัณหาบิดพราะว่าตัณหานีมันมีอยู่มันแสดงออกมาเป็นธรรมะธรรมชาติบริสุทธิ์ของมันเมื่อเกิดล้วะของวีราคาขึ้นมาไม่ให้ราคาวีมุติหลุดพ้นก็เกิดอย่างนั้นเมื่อไม่ให้ราคาสิ่งไหนมันก็ไม่เอาสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ร่วมกันไม่ให้ราคามากไม่ให้ค่ามากเนมันหลงอย่งนีน นะเวลาเวลามันหลงแล้วไม่ใช่หลงแลมันเหลิงด้วยนะลูกเก่งลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นหลงแล้วก็เหลิงขึ้นมาหรือว่าอะไรคุณค่ายกยอป้อปั้นกันมาเดี๋ยวหลงเหลิงกันมาแน่นอนนะีอันนี้นก็คือลักษณของธรรมะนะที่มันมีสองขนะั้วมีขั้วก็คือเหนือดีเหนือชัวนะ่วเป็นลนักษณะของทางที่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางผ่าน ก็คือไม่ให้ค่ากับสิ่งไหนเลยเราทยสือก็คือมันกลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นมันเองจนทั่งเมื่อรู้มากๆเข้ามันจะเห็นรายละเอียดต่างๆก็เรียกว่าอาสาวกอาสาวกิเลสหรืออาสวาวกิยานที่องค์สมเด็จสัมมาวุฒิเจ้ารู้ยามสามอะไรมาเกิดนิพพานขึ้นมามันก็จะมาตรงคําสอนล้มระเรียนตรงที่ว่าทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยความไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุกๆขณะเลยเมื่อเราทําถูก ถูกทํำขณดใดก็ตามที่มันทําถูกถูกทํานั้นมันเกิดความไม่ทุกข์ขึ้นมันพ้นทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ทํามากๆากเมื่อเราทํามากมันก็ต้องเห็นตัวเราเองเดินทางไปทิศทางไหนไปสู่ทางที่เป็นความหลงความเสื่อมแล้วทางที่เป็นความรู้เป็นทางหลุดพ้น ในการนำลงชีวิตในการชีวิตเกี่ยวข้องกับสรรพสัตสิ่งโดยความยุดิธรรมและเกิดธรรมชาติต่อไปตัวนี้นนะเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรรู้วกคนกันเหมือนกันเราจะยังไม่สรุปนะเพราะว่าเขาลังเดินทางสู่การพ้นทุกทุกคนเราก็จึงแต่มีมีแต่เพื่อนนะที่ร่วมเดินทางนะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในโลกใบนี้นะ เดินทางสู่ความตายจุดหมายปลายทางของร่างกายคือความตายจิตใจถ้ามีการประพฤติปฏิบัตนะิอย่างถูกต้องจุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นหรือว่ามรรคผลนิพพานเรามีความเชื่อว่าเดินทางถึงที่สุดแล้วของชีวิตนะกายใจของเราในี้ใช้เป็นพ่วงแพรค้ำถ่อสู่ฝั่งของพระนิพพานได้แน่นอนอเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าพูดมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะยุติการพูดไว้เพียงแค่ น, นี้ะถ้ายสุขขออื้มือเพรนิดหนึ่งว่าเรามาอยู่ที่วัป่าสุโกโตนี่ถูกแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าทําผ่านความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวของกายเวลาจิตรำมีความรู้สึกตัวลงไปใส่ใจลงไปเห็นรายละเอียดนก็จะเป็นการเดินทางสูขขง่การพ้นทุกข์อันนี้ของจริงก้าวแต่ละก้าว มันคือของจริงที่เดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์กายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำไหวใจทําด้วยนะคิดนึกปรุงแต่งก็รู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะก็ขอให้ทำมาปฏิบัติของเราแล้วก็เวลาที่เราใช้แต่ละขณนะเป็นความรู้สึกตัวก็ขอให้ความรู้สึกตัวแต่ละขณนะเนี่ยพาสู่ไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ในบัจจุบันนี้โดยทุานากันทุกรูปทุกนามเทิน